บทที่ 4. จิตตศิขาวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องจิตเพื่อจิตเกิดความตั้งมั่นเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาพร้อมที่จะเรียนรู้ความเป็นจริงของรูปนามต่อไปเรื่องที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับจิต มีสองเรื่องคือจิตชนิดใดเป็นกุศลจิตชนิดใดเป็นอกุศลและเรื่องจิตชนิดใดควรแก่การเจริญสมถกรรมฐานจิตชนิดใดควรแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานหากไม่ศึกษาให้ดีผู้ปฏิบัติก็อาจจะหลงสร้างอากุศลจิตทั้งที่คิดว่ากำลังปฏิบัติทำอยู่และอาจจะหลงทำสมถกรรมฐาน ทั้งที่คิดว่ากำลังจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานอยู่ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลจะต้องประกอบด้วยสิ่งดีงามหรือโสพณเจตสิกซึ่งเมื่อประกอบแล้วย่อมทำจิตให้ผ่องใสและตั้งอยู่ในความดีงามโสพณเจตสิกมีทั้งหมด25อย่างซึ่งตำราพระอภิธรรมเรียกเจตสิกเป็นดวง เช่นเดียวกับจิตจำแนกออกได้เป็นสีประเภทคือ 1. สิ่งที่ดีงามที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวงหรือโสภณสาธาระเจตสิกมีทั้งหมด19อย่างได้แก่ 1. ศรัทธาคือความเชื่อที่สมเหตุสมผลซึ่งจะต้องสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้า 2. สติคือความระลึกได้ไม่ใช่การกำหนดอย่างที่นิยมแปลกันในชั้นหลัง 3. หิริคือความละอายใจที่จะทำบาป 4. โอตตปะคือความเกรงกลัวในผลของบาปที่จะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ 5. อะโลภคือความไม่โลภ หรือไม่มีตัณหา 6. อโทสะคือความไม่โกรธหรือเมตตา 7. ดตัตระมัชชะตาคือความเป็นกลางของจิตต่อสภาวะธรรมต่างๆด้วยปัญญา 8. กายปสัสสติคือความสงบของนามกายอันได้แก่เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันเก จิตตปสัสสติคือความสงบของนามจิตหรือจิตสงบ 10. กายละลหุตาคือความเบาของนามากาย 11. จิตตะลหุตาคือความเบาจิต 12. กายะมุทุตาคือความอ่อนของนามากาย 13. จิตตะมุทุตาคือความอ่อนของจิต หมายถึงอ่อนโยนนุ่มนวลสละสลวยช่วยทําหน้าที่ของจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 14. กายกรรมมัญตาคือความควรแก่การงานหรือการนําประกอบการงานได้ดีของนามกาย 15. จิตตกรรมมัญญตาคือความควรแก่การงานหรือการนํามาประกอบการงานได้ดีของจิตเนื่องจากจิตไม่ถูกนิวรณ์ครอบงํา 16. กายะปากุญยตาคือความคล่องแคล่วต่อการงานของนามกาย 17. จิตตะปากุญญตาคือความคล่องแคล่วต่อการงานของ จ, จิต 18. กายุชุกตาคือความซื่อตรงในการงานของนามากายและ19จิตตุชุกตาคือความซื่อตรงในการงานของ จ, จิต เมื่อทราบถึงสิ่งดีงามที่ต้องเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลแล้วย่อมไม่ยากที่จะทราบว่าจิตดวงใดเป็นกุศลหรืออกุศลพูดให้สังเกตง่ายๆก็กล่าวได้ว่าหากจิตดวงใดขาดสติจิตดวงนั้นเป็นอกุศลแน่นอนและหากจิตดวงใดมีอาการหนักแน่นแข็งซึมทื่อถูกกิเลสครอบงำ หรือพยายามเข้าไปแทรกแซงอารมณ์แทนที่จะสักว่ารู้อารมณ์จิตดวงนั้นก็เป็นอกุศลแน่นอน 2. ส, อสิ่งดีงามที่เป็นเครื่องงดเว้นจากการทำบาปทางกายและวาจาหรือวิรตีเจตสิกเป็นสิ่งดีงามสามอย่างที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลบางดวงได้แก่ 1. สัมมาวาจาคือการงดเว้นจากความทุจริตทางคำพูด4ประการได้แก่การงดเว้นการพูดเท็จการงดเว้นการพูดส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันการงดเว้นการพูดคำหยาบและการงดเว้นการพูดเพ้อเจ้อสองสัมมากัมมันตะคือการงดเว้นความทุจริตทางกาย3ประการได้แก่ การงดเว้นการฆ่าและการทำร้ายคนและสัตว์ทั้งหลายการงดเว้นการล่วงละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นและการงดเว้นการประพฤติผิดในการมและ 3. ามสัมมาอาชีวะคือการงดเว้นการประกอบอาชีพที่ทุจริตซึ่งต้องล่วงละเมิดสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะสาม สิ่งดีงามที่แผ่ไปถึงสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณหรืออัปปมัญญาเจตสิกได้แก่สิ่งดีงามที่แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณมีทั้งหมด4อย่างได้แก่1เมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข2การุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3. มุทิตาคือความยินดีด้วยที่ผู้อื่นมีความสุขและ 4. อุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางเมื่อผู้อื่นประสบทุกข์และไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างไรก็ตามในตำราพระอภิธรรมจัดสิ่งดีงามที่เป็นอปปมัญญาเจตสิกไว้เพียงสองอย่างคือการุณาและมุทิตาเพราะเมตตาก็คืออโทสะ และอุเบกขาก็คือตตรมัชตตาหรือความเป็นกลางของจิตต่อสภาวะธรรมต่างๆด้วยปัญญาซึ่งกล่าวไว้แล้วในหัวข้อสิ่งดีงามที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวง 4. ความเข้าใจความเป็นจริงในอริยสัจสีหรือปัญญทรียเจตสิกหรืออมโมหะ หรือตัวปัญญาที่รู้ความจริงในอริยสัจสีได้แก่ 1. นึงความรู้ทุกข์คือความรู้ว่ารูปนามขันห้ากายใจเป็นตัวทุกข์และเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์และรู้ว่ากิจต่อทุกข์ก็คือการรู้ให้ตรงความจริงว่ารูปนามมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์สอง ความรู้สมุทัยคือรู้ว่าตัณหาหรือความดิ้นรนทยานอยากของจิตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และรู้ว่ากิจต่อสมุทัยคือการละเสีย 3. ความรู้นิโรธคือรู้ถึงสภาวะแห่งความดับสนิทของตัณหาและทุกข์และรู้ว่ากิจต่อนิโรธคือการเข้าไปเห็นแจ้ง และ4ความรู้มักคือรู้ถึงมักมีองค์8ประการและรู้ว่ากิจต่อมักคือการเจริญหรือทำให้มากซึ่งได้แก่การเจริญสติปัฏฐานสทํทำให้ถูกต้องตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองลักษณะของจิตที่เป็นอกุศล จิต อ, ก, อกุศลต้องประกอบด้วยความชั่วหรือองค์ธรรมฝ่ายชั่วหรืออกุศลเจตสิกซึ่งมีอยู่14อย่างหรือ14ดวงจำแนกออกได้เป็น5ประเภทคือ 1. กลุ่มโมหะสามารถเกิดร่วมกับอกุศลจิตได้ทั้ง12ดวงจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัพพากุศลสาารณะเจตสิกมีทั้งหมด4ี่อย่างหรือสี่ดวงได้แก่ 1. โมหะคือความหลงหรือธรรมชาติที่ปิดบังความจริงของอารมณ์ทำให้จิตไม่สามารถรู้อารมณ์ได้ตรงตามความเป็นจริง 2. อหิริกะคือธรรมชาติที่ไม่ละอายต่อการทำผิดทางกายวาจาใจ 3. อนโนตปะคือธรรมชาติที่ไม่กลัวเกรงต่อผลของบาปและ 4. อุทธจัตคือความฟุ้งซ่านหรือธรรมชาติที่จับอารมณ์ไม่มั่นอันหนึ่งการที่เจตสิกกลุ่มโมหานี้มีสี่ดวงจึงมีชื่อเรียกกลุ่มว่าโมจตุกะเจตสิกส์ 2. กลุ่มโลภะ สามารถเกิดร่วมกับอากุศลจิตประเภทโลภะมุรจิตได้ทั้ง8ดวงทมฝ่ายชั่วกลุ่มนี้มีสอย่างหรือสามดวงได้แก่ 1. โลภะคือความอยากได้ยินดีติดใจในอารมณ์ต่างๆทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรรมารมณ์ 2. ทิฏฐิคือธรรมชาติที่เห็นผิด และ 3. มานะคือความอวดดื้อถือตัวอันหนึ่งการที่เจตสิกกลุ่มโลภะนี้มีสมดวงจึงมีชื่อเรียกกลุ่มว่าโลติกะเจตสิกส์ 3. กลุ่มโทสะสามารถเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตสองดวงมีสอย่าง หรือสี่ดวงได้แก่ 1. โทสักคือธรรมชาติที่ประทุสร้ายหรือความโกรธ 2. อิจฉาคือธรรมชาติที่ไม่พอใจในคุณสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นหรือความอิจฉาสมัจจริยะคือธรรมชาติที่หวงแหนในสมบัติและคุณความดีของตนหรือความตระนีและสี่ กุกุจัตคือธรรมชาติที่รำคาญใจในความชั่วที่ได้ทำแล้วและรำคาญใจหรือร้อนใจที่ยังไม่ได้ทำความดีอันหนึ่งการที่เจตสิกกลุ่มโทสะนี้มีสี่ดวงจึงมีชื่อเรียกกลุ่มว่าโทจตุกะกเจตสิกสีกลุ่มทีนมิทะ เป็นเจตสิกที่ประกอบหรือเกิดร่วมกับจิตฝ่ายอากุศลหดวงที่เป็น ส, สังขาริกหรือจิตเกิดขึ้นได้ด้วยการมีสิ่งกระตุ้นชักชวนโน้มนำให้เกิดขึ้นประกอบด้วยโลภมูลจิตสดวงกับโทสะมลจิตหนึ่งดวงซึ่งรายละเอียดจะไม่กล่าวในที่นี้เพราะจะทำให้บทความนี้ซับซ้อนเกินไปจนยากสาหรับนักปฏิบัติที่ไม่เคยศึกษาพระอภิธรรม เจตสิกกลุ่มนี้มี2 อ, อย่างหรือสองดวงได้แก่ 1. ทีนะคือธรรมชาติที่ทำจิตให้หดหูท้อถอยหรือความท้อแท้และสมิทะคือธรรมชาติที่ทำให้จิตซึมเศราหรือความเกียดคร้านที่จะรู้อารมณ์อันหนึ่งการที่เจตสิกกลุ่มนี้มีสองดวงจึงมีชื่อเรียกกลุ่มว่า ทิทุกะเจตสิกห้าวิจิกิจชาคือความลังเลสงสัยในอารมณ์เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับโมหะมูลจิตที่ประกอบด้วยวิจิกิจชาเท่านั้นความสงสัยในที่นี้หมายถึงความลังเลสงสัยที่เป็นอกุศลคือความสงสัยในคุณของพระรัตนตรยัยความสงสัยในขัน อายาจัธนะาตุทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตและความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทส่วนความสงสัยอื่นเช่นความสงสัยทางวิชาการหรือสงสัยในชื่อถนนเป็นต้นไม่จัดเป็นวิจิกิจชาที่เป็นอกุศลแต่จัดเป็นวิจิกิจชาเทียมหรือปฏิรูปกระวิจิกิจชา หากจิตของผู้ปฏิบัติประกอบด้วยเจตสิกเหล่านี้เพียงตัวใดตัวหนึ่งก็จัดเป็นอากุศลจิตแล้วและอากุศลเจตสิกที่เกิดร่วมกับอากุศลจิตทุกดวงที่น่าจะทำความรู้จักให้ดีก็คือโมหะอันมีลักษณะเป็นการไม่รู้ความจริงของอารมณ์โดยเฉพาะผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นหากจิตหลงจากอารมณ์รูปนามไปสู่อารมณ์บัญญัต หรือเรื่องราวที่คิดแล้วก็จัดว่าหลงทั้งสิ้นพวกเราจึงควรทําความรู้จักกับการหลงคิดให้ดีเพราะเป็นศัตรูที่เกิดบ่อยที่สุดสําหรับผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจริงอยู่การหลงคิดอาจจะนําไปสู่การคิดถึงเรื่องราวที่เป็นกุศลก็ได้แต่กุศล น, นั้นจะเป็นเพียงโลกียกุศลหรืออย่างดีที่สุดก็เป็นเพียงการเจริญสมถกรรมฐาน ไม่ใช่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งต้องมีสติระลึกรู้อารมณ์รูปนามตามความเป็นจริงคำว่ารู้รูปนามตามความเป็นจริงนี่แหละคืออมโมหะหรือปัญญาข้อสรุปสรุปแล้ว ผู้ปฏิบัติควรทำความรู้จักลักษณะของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลให้ดีมิฉะนั้นจะไปหลงสร้างอากุศลจิตทั้งที่คิดว่ากำลังจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตัวอย่างเช่น 1. หากกำหนดอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งแล้วจิตเกิดความหนักแน่นแข็งซึมทื่แสดงว่าจิตในขณะนั้นเป็นอกุศลแน่นอน 2. หากจิตคิดเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลแน่นอน 3. หากจิตคิดในเรื่องที่ดีงามเช่นคิดอยากช่วยเหลือผู้อื่นคิดบริกรรมพุทโธคิดบริกรรมพองหนอยุบหนอคิดถึงพระรัตนตรยัยคิดถึงร่างกายว่าเป็นปฏิกูลหรืออสุภะคิดถึงลมหายใจเข้าออก คิดพิจารณาธรรมว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปนามที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจิตขณะนั้นก็เป็นกุศลธรมธรมดาธรรมดายัางไม่ใช่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานและ4หากจิตเกิดระลึกรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏได้ตรงตามเป็นจริงโดยไม่มีเจตนาจะระลึกจิตจะมีความเบาอ่อน ควรแกการงานว่องไวซื่อตรงรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างจิตในขณะนั้นก็เป็นจิตที่เป็นกุศลในขั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานลักษณะของจิตที่ควรเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเราได้พูดกันแล้ว ถึงลักษณะของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลต่อไปนี้ควรรู้จักลักษณะของจิตที่ควรใช้เจริญสมถกรรมฐานและจิตที่ควรใช้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะหากเราใช้จิตที่ควรเจริญสมถกรรมฐานไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานงานเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะไม่ประสบผลสําเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ในหัวข้อนี้ มีเรื่องที่ควรศึกษาทำความเข้าใจดังนี้ 1. จิตที่มีคุณภาพในทางพระอภิธรรมถือว่าจิตที่จะใช้เจริญสมถะและวิปัสสนาจะต้องเป็นมหากกศลจิตยานสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาซึ่งมีอยู่สี่ดวงคือ 1. จิตที่มีโสมนัส คือความสุขใจประกอบด้วยปัญญาและเกิดเองโดยไม่ต้องโน้มน้าวชักจูงให้เกิดหรืออสังขาริก 2. จิตที่มีโสมนัพประกอบด้วยปัญญาแต่เกิดขึ้นด้วยการโน้มน้าวชักจูงให้เกิดหรือสังขาริก 3. จิตที่มีอุเบกขาคือความรู้สึกเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์ ประกอบด้วยปัญญาและเป็นอสังขาริก 4. จิตที่มีอุเบกขาประกอบด้วยปัญญาแต่เป็นสังขาริก 2. ความแตกต่างในการทำสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานแม้ในภาคพระปริยัติธรรมจะถือว่าจิตที่ใช้เจริญสมถะ และวิปัสสนาจะเป็นจิตประเภทเดียวกันแต่ก็ระ บ, บุความต่างขององค์ประกอบอย่างอื่นไว้คือ1นึงอารมณ์ของสมถะใช้อารมณ์บัญญัติส่วนอารมณ์ของวิปัสสนาใช้อารมณ์ปรมัตและสองการทำสมถะใช้การเพ่งหรือการดูตัวอารมณ์เรียกว่าอารัมมนูปนิชฌานส่วนการทำวิปัสสนา ใช้การรู้ลักษณะอันเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเรียกว่าลักขณูปณิชฌาน 3. ความเห็นของผู้เขียนผู้เขียนเห็นด้วยกับพระปริยติธรรมอย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าพระปริยติธรรมเปรียบเหมือนแผนที่ ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่พบเห็นจากการปฏิบัติซึ่งขอฝากไว้ให้เพื่อนนักปฏิบัติพิจารณาอีกบางประการดังนี้คือจิตผู้เขียนมีความเห็นดังนี้ 1. จิตที่จะใช้เจริญวิปัสสนาจะต้องเป็นมหากุศลจิตซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วน ตามสิ่งที่ดีงามที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวงหรือโสภณะสาธารณเจตสิกซึ่งสังเกตได้ง่ายๆก็คือหากปฏิบัติวิปัสสนาแล้วจิตเกิดความหนักแน่นแข็งซึมทื่อหรือพยายามเข้าไปแทรกแซงอารมณ์นั่นแสดงว่าจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิต ไม่สมควรแก่การเจริญวิปัสนาเสียแล้ว 2. จิตที่จะใช้เจริญวิปัสนาได้จริงจะต้องมีกำลังมากซึ่งสติจะต้องเกิดขึ้นได้เองโดยไม่ต้องโน้มน้าวชักจูงให้เกิดหรืออาสังขาริกและเหตุให้เกิดสติก็คือทิระสัญญาหรือการที่จิตจดจำสภาวธรรมคือรูปนามได้แม่นยำไม่ใช่เกิดจากการกำหนด เพ่งจ้องหรือบังคับให้เกิดส่วนจิตที่ใช้ทำสมถกรรมฐานนั้นเกิดขึ้นด้วยการโน้มน้าวชักจูงให้เกิดหรือ ส, สังขาริกเพราะการทำสมถกรรมฐานต้องมีความจงใจกำหนดเพ่งจ้องประคองจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์ ผู้เขียนมีความเห็นดังนี้ 1. อารมณ์ของสมถกรรมฐานกว้ า, างขวางมากจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้นับตั้งแต่กอารมณ์บัญญัติเช่นการบริกา ร, รพุทโธบริกรรมพองยุบการพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าการพิจารณาคุณของพระธรรม การพิจารณาคุณของพระสงฆ์การพิจารณาทานและศีลที่ได้กระทําแล้วด้วยดีการพิจารณากายให้เป็นปฏิกูลและอสุภกรรมฐานเป็นต้นขออารมณ์รูปนามการมีสติระลึกรู้อารมณ์รูปนามนั้นหากไม่ประกอบด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์ก็ยังเป็นเพียงการเพ่งอารมณ์ หรือการทำสมถกรรมฐานดังนั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรประมาทว่าเมื่อตอนรู้อารมณ์รูปนามอยู่จะต้องเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสมอไปและขอ้ออารมณ์นิพพานใช้เจริญสมถกรรมฐานได้ในขั้นการเจริญสัญญาเวทยิตานิโรธหรือนิโรธสมาบัติของพระอนาคามี และพระอระหันต์ที่จำนานในอรูปฌาน 2. ออารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานมีจำกัดคือใช้ได้เฉพาะอารมณ์รูปนามเท่านั้นทั้งนี้เพื่อถอดถอนความเห็นผิดและความยึดถือรูปนามว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเองจะใช้บัญญัติเป็นอารมณ์ไม่ได้เพราะบัญญัติ ไม่ใช่ของจริงและจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ใช่อารมณ์ที่เกิดหนึ่งเนืองและไม่ใช่รูปนามกายใจของตน 3. การเพ่งและการรู้ลักษณะของอารมณ์ผู้เขียนเห็นว่าในการเจริญสมถะและวิปัสสนานั้นสติสมาธิและปัญญา จะทำงานแตกต่างกันเป็นเหตุให้เกิดการเพ่งอารมณ์ในการทำสมถกรรมฐานและเกิดการรู้ลักษณะของอารมณ์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานดังนี้สติ 1. สติในการทำสมถกรรมฐานนั้นจะต้องเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องโดยน้อมใจ หรือกำหนดหรือเพ่งให้จิตเคลื่อนไปจับแนบเข้ากับตัวอารมณ์อย่างสบายๆโดยอารมณ์นั้นต้องถูกกับจริตคือรู้แล้วสบายหากรู้แล้วเครียดแสดงว่าไม่ถูกกับจริตและจิตจะไม่สงบเมื่อจิตรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องและสบายแล้วจิตจะสงบได้เอง 2. สติในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะต้องเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์รูปนามที่กำลังปรากฏอย่างสักว่ารู้คือรู้อย่างควรวงนอกเหมือนคนที่ดูฟุตบอลอยู่ข้างสนามหรือดูละครอยู่หน้าเวทีและการระลึกรู้นั้นเป็นการรู้ขึ้นมาเองหรืออสังขาริกโดยไม่ได้จงใจจะรู้หรือพยายามจะรู้ การที่สติระลึกรู้ขึ้นมาได้เองก็เพราะจิตจดจำสภาวะของรูปนามนั้ น, น, นได้การระลึกรู้ไม่ได้เกิดจากการเพ่งจ้องหรือกาหนดรู้เหมือนเมื่อทำสมถกรรมฐานสมาธิ 1. สมาธิในการทำสมถกรรมฐานนั้นเป็นสภาวะความตั้งมั่นของจิต อยู่ในตัวอารมณ์จิตจะเกาะเกี่ยวแนบแน่นจมแช่ไม่คลาดเคลื่อนไปจากตัวอารมณ์อันเดียวนั้นเช่นเมื่อรู้ลมหายใจจิตก็เกาะอยู่กับลมหายใจเมื่อรู้ท้องพองยุบจิตก็เกาะอยู่กับท้องเมื่อรู้มือหรือรู้เท้าจิตก็เกาะอยู่กับมือหรือเท้าเมื่อรู้เวทนา จิตก็เกาะ อ, อยู่กับเวทนาเมื่อรู้จิตจิตก็เกาะ อ, อยู่กับความว่างของจิตและเมื่อบริกรรมจิตก็เกาะ อ, อยู่กับคําบริกรรมเป็นต้น 2. สมาธิในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นสภาวะความตั้งมั่นของจิตในระหว่างที่รู้อารมณ์รูปนามจิตกับอารมณ์จะต่างคนต่างอยู่ แยกออกจากกันเหมือนมีช่องว่างระหว่างกันจิตเหมือนคนดูละครอยู่นอกเวทีหรือดูฟุตบอลอยู่ข้างสนามหรือดูสิ่งที่ลอยไหลาตามสายน้ำอยู่บนตลิง่งโดยจิตจะมีสติสักว่ารู้อารมณ์รูปนามและมีปัญญาเห็นลักษณะของอารมณ์รูปนามที่กำลังปรากฏนั้นคือเมื่อรู้รูปก็เห็นรูป เป็นสักว่ารูปและมีจิตเป็นผู้รู้รูปอยู่ต่างหากจากรูปเมื่อรู้เวทนาก็เห็นเวทนาเป็นสักว่าเวทนาและมีจิตเป็นผู้รู้เวทนาอยู่ต่างหากจากเวทนาเมื่อรู้จิตก็เห็นจิตเป็นสักว่าจิตและมีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นผู้รู้จิตดวงก่อนที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนรอนและเมื่อรู้สภาวะธรรมใด ก็เห็นเป็นสักว่าสภาวธรรมและมีจิตเป็นผู้รู้สภาวธรรมอยู่ต่างหากจากสภาวธรรมนั้นๆปัญญา 1. ปัญญาในการทําสมถกรรมฐานนั้นมีลักษณะสําคัญคือกเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยการคิดหรือเจอด้วยความคิดหรือจินตามัญญปัญญา และถึงแม้สิ่งที่คิดนั้นจะเป็นความจริงแต่ก็เป็นความจริงที่เจือด้วยสมมุติบัญญัติเช่นพระพุทธเจ้ามีคุณจริงแต่เรามีปัญญารู้คุณของพระพุทธเจ้าได้ด้วยการคิดพิจารณาไตรตรองซึ่งเมื่อไตรตรองแล้วจิตก็เข้าถึงความสงบสุขร่างกายเป็นปฏิกูลหรืออสุภจริงแต่เรามีปัญญารู้ได้เป็นครั้งคราวด้วยการคิด พิจารณาไตร่ตรองกายซึ่งเมื่อไตรตรองแล้วจิตก็เข้าถึงความสงบสุขความตายมีจริงแต่เรามีปัญญารู้ได้เป็นครั้งคราวโดยการคิดพิจารณาไตรตรองถึงชีวิตของตนเองและสัตว์อื่นซึ่งเมื่อไตร่ตรองแล้วจิตก็เข้าถึงความสงบสุขและกายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์จริงแต่เรามีปัญญาซึ่งปัญญาชนิดนี้ ชื่อสัมมณตยานรู้ได้โดยการคิดพิจารณารูปนามในอดีตกับปัจจุบันว่าแตกต่างกันซึ่งเมื่อไตรตรองแล้วจิตก็เข้าถึงความสงบสุขเป็นต้นและขอเป็นปัญญาที่จิตฉลาดรอบรู้อุบายวิธีที่จะข่มนิวรณอันเป็นสตรูของความสงบจิตได้เช่นเมื่อจิตเกิดการมาชันทะ ก็ฉลาดที่จะเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อข่มกามาชันทะให้สงบลงชั่วคราวเมื่อจิตเกิดพยาบาทก็ฉลาดที่จะเจริญเมตตาเพื่อข่มพยาบาทให้สงบลงชั่วคราวและเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ฉลาดที่จะเจริญอาณาปานสติเพื่อข่มความฟุ้งซ่านให้สงบลงชั่วคราวเป็นต้น2 ปัญญาในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีลักษณะสําคัญคือกอ็เป็นปัญญาที่เกิดจากการรู้หรือการเจริญสติหรือภาวนามายปัญญาซึ่งไม่เจือด้วยความคิดคือเกิดจากการเจริญสติระลึกรู้สภาวะธรรมคือรูปนามที่กําลังปรากฏเป็นปัจจุบันอยู่หนึ่งเนื่อ ง, องโดยในขณะนั้นจิตมีสัมมาสมาธิ คือความตั้งมั่นของจิตที่สักว่ารู้อารมณ์รูปนามเป็นเครื่องสนับสนุนและขอเป็นปัญญาที่จิตเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจว่ามีลักษณะเป็นไตรลักษณ์จนจิตเป็นกลางต่อรูปนามและปล่อยวางรูปนามแล้วประจักษ์ถึงนิพพานได้ในที่สุดวิธีศึกษาจิต การศึกษาเพื่อให้ทราบลักษณะของจิตที่เป็นอกุศลหรือกุศลและจิตที่ควรใช้ทำสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานสามารถกระทำได้3ลักษณะดังนี้คือ 1. การศึกษาจิตในภาคปริยัติจิตในภาคปริยัตินั้นจำแนกอย่างย่อได้89ดวง และจำแนกอย่างพิสดารได้1 2อดวงซึ่งหากจะแบ่งกลุ่มของจิตทั้ง89หรือ1 2อดวงนี้ออกเป็นกลุ่มย่อยก็แบ่งได้หลายแบบเช่น 1. จำแนกตามชาติสกุลได้4แบบคือจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลที่เป็นวิบากและจิตที่เป็นกิริยา 2. อจำแนกตามภูมิ มีสี่แบบคือจิตที่เกิดในกาลมาวจรภูมิรูปภูมิอรูปภูมิและโลกุตรภูมิ 3. ามจำแนกด้วยความดีงามมีสองอย่างคือโสภณจิตหรือจิตที่ดีงามกับอโศภณจิตหรือจิตอื่นที่นอกเหนือโสภณจิต 4. ี่จำแนกตามโลกมีสองอย่าง คือโลกิยาจิตหรือจิตที่ข้องอยู่ในโลกกับโลกุตระจิตหรือจิตที่พ้นโลก5จําจแนกตามเหตุมีสองอย่างคือสเหตุ ก, กจิตหรือจิตประกอบด้วยเหตุ6ประการคือโลภะโท ส, ะ โ, ะ, โ ะ, โทส ะ, ะโมหะอโลภะอโทสะและอะโมหะ อาเุกัจจิตหรือจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ6ประการนั้นและ 6. จจำแนกตามเวทนาได้5แบบคือจิตที่เสวยสุขเวทนาทางกายจิตที่เสวยทุกขเวทนาทางกายจิตที่เสวยโสมนัสเวทนาทางใจจิตที่เสวยโทมนัสเวทนาทางใจและจิตที่เสวยอุเบกขาเวทนารายละเอียดของเรื่องนี้ ยืดยาวเกินกว่าจะนำมากล่าวได้ในบทความเรื่องนี้แต่สรุปได้อย่างย่อๆว่าการศึกษาเรื่องจิตในภาคปริยัติธรรมนั้นถ้าจะให้เข้าใจท่องแพ้ก็ต้องศึกษาพระอภิธรรมในเรื่องเกี่ยวกับจิตหน้าที่ของจิตและวิธีจิต 2. การศึกษาจิตในภาคปฏิบัติผู้ที่ไม่ได้ศึกษาจิตในภาคปริยัติ สามารถศึกษาจิตได้ด้วยการปฏิบัติ2วิธีคือ 2.1 การศึกษาจิตของผู้เป็นสมถยานิชบุคคลผู้มีตัณหาจริต ค, คือเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามและรักความสงบเหมาะสมที่จะเจริญปัญญาด้วยการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน และเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานแต่การจะเจริญปัญญาด้วยฐานกายและเวทนานั้นควรศึกษาจิตด้วยการทำสมถกรรมฐานสะก่อนเพื่อให้จิตสามารถทรงตัวเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีธรรมเอกหรือเอโกทิภาวะจึงจะสามารถรู้กายและเวทนาได้ชัดเจนตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษ ซึ่งการทำสมถกรรมฐานนั้นให้เลือกอารมณ์ที่เหมาะกับจริตนิสัยของตนเองเช่นผู้ใดถนัดที่จะรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจผู้ใดถนัดที่จะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธผู้ใดถนัดที่จะทำจังหวะการเคลื่อนไหวมือก็ทำจังหวะเคลื่อนไหวมือผู้ใดถนัดที่จะรู้อิริยาบทสี่ก็รู้อิริยาบทสี่และผู้ใดถนัดที่จะรู้ท้องผองยุบ ก็รู้ท้องผองยุบเป็นต้นแต่ในขณะที่รู้อารมณ์กรรมฐานนั้นมีเคล็ดลับสําคัญคือจะต้องรู้ด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิให้พวกเรามีสติตามรู้อารมณ์กรรมฐานนั้นเรื่อยๆไปไม่ต้องกดข่มบังคับจิตจนจิตเคล้าเคลียกับอารมณ์นั้นได้เองโดยไม่ต้องบังคับแล้วใช้ปัญญาสังเกตเพียงเล็กน้อย ก็จะเห็นว่าอารมณ์กรรมฐานทั้งปวงนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ส่วนจิตเป็นผู้รู้หรือผู้ดูอารมณ์นั้นๆถึงจุดนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าร่างกายนี้หายใจแต่จิตเป็นผู้ดูกายที่หายใจอยู่จิตบริกรรมพุโทโธและจิตเป็นผู้รู้การบริกรรมมือเคลื่อนไหวแต่จิต เป็นผู้ดูกายที่เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในอิริยาบถต่างๆแต่จิตเป็นผู้ดูกายในอิริยาบถต่างๆร่างกายมีท้องพ่องยุบแต่จิตเป็นผู้ดูกายที่พ่องยุบเป็นต้นเมื่อฝึกซ้อมมากเข้าในที่สุดจิตก็จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้ดูอยู่เป็นนิดนี่คือจิตสิกขาอย่างง่าย ในภาคปฏิบัติสำหรับผู้เป็นสมถญยานิกแต่หากจะดำเนินจิตตศิขาให้สมบูรณ์แบบเต็มที่จะต้องทำกรรมฐานบางอย่างที่สามารถยังจิตให้บรรลุถึงทุติยฌานตามในพระสูตรหรือตตตยฌานตามในพระอภิธรรมเช่นการเจริญอนาณาปานสติเป็นต้นซึ่งในฌานดังกล่าวนี้จะมีองค์ธรรมสาคัญคือธรรมเอกหรือ เอโกที่ภาวะเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากฌานแล้วทำเอกหรือจิตที่เป็นผู้รู้จะยังทรงตัวเด่นชัดอยู่ได้อีกช่วงหนึ่งจึงน้อมจิตผู้รู้นี้ไปเพื่อให้เกิดญาณทัศนะหรือปัญญาด้วยการตามรู้กายหรือเวทนาที่กำลังปรากฏต่อไปเมื่อทำเอกอ่อนกำลังลงก็กลับไปทำสมถกรรมฐานใหม่หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ เป็นการใช้สมาธินำปัญญา 2.2 การศึกษาจิตของผู้เป็นวิปัสนาญาณิบุคคลผู้มีทิฏฐิจริตคือเป็นคนชอบคิดนึกปรุงแต่งชอบวิพากวิจาร์ชอบถกเถียงค้นหาความจริงหรือเป็นเจ้าละทิอุดมการเหมาะสมที่จะเจริญปัญญาด้วยการเจริญจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน และธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่การจะเจริญปัญญาด้วยฐานจิตและธรรมนั้นควรศึกษาจิตด้วยการตามสังเกตจิตไปเลยด้วยวิธีการง่ายๆคือให้มันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของตนเองซึ่งบางคราวก็สุขบางคราวก็ทุกข์บางคราวก็เฉยๆบางคราวเกิดความผ่องใสบางคราวเกิดความเศร้าหมองบางคราวหนักบางคราวเบา บางคราวโลภบางคราวไม่โลภบางคราวโกรธบางคราวไม่โกรธบางคราวหลงเผลอบางคราวรู้สึกต um ัวบางคราวฟุ้งซ่านบางคราวหดหูบางคราววิ่งไปที่ตาบางคราววิ่งไปที่หูบางคราววิ่งไปทํางานทางใจบางคราวเผลอบางคราวเพ่งให้คอยรู้คอยดูอยู่นืองเนืองไม่นาน ก็จะเข้าใจสภาวะของจิตตนเองได้แล้วจิตจะพลิกเข้าสู่ความสงบเองเป็นระยะๆะะเป็นการใช้ปัญญานำสมาธิ 3. การศึกษาจิตในภาคปฏิบัติเทียบเคียงกับคำสอนในภาคประยัตวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยให้ทำความสงบจิตตามการศึกษาจิตของผู้เป็นสมถยานิช หรือหมั่นสังเกตความรู้สึกตามการศึกษาจิตของผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกและอ่านเรื่องจิตสิกขาในบทความนี้ประกอบด้วยไม่นานก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจจิตตนเองได้กว้างขวางรัดกลุ่มยิ่งขึ้นและการเจริญปัญญาในขั้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องง่ายผลของการศึกษาเรื่องจิตที่สาคัญก็คือ 1. ไม่หลงสร้างอากุศลจิตเพราะความอยากและความจงใจที่จะปฏิบัติธรรม 2. ไม่หลงทำสมถกรรมฐาน ท, ทั้งที่คิดว่ากําลังจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ 3. ไม่หลงว่าบรรลุมรรคผลนิพพาน ท, ทั้งที่เกิดเพียงอาการแปลกๆทางกายหรือทางจิต 4. สามารถทําความสงบจิตในเวลาที่สมควรทําได้ง่ายและถูกต้องยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในขณะที่ผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาจำนวนมากมักหลงปรงแต่งจิตให้เสื่องซึมหรือฟุ้งซ่านเที่ยวรู้เห็นออกไปภายนอกหรือเกิดนิมิตแปลกปลอมต่างๆซึ่งไม่มีประโยชน์ทั้งในด้านการพักจิตให้เกิดกำลังและในด้านการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปและ 5. สามารถพัฒนาให้เกิดจิตที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ต่อไปซึ่งจิตชนิดนี้ได้แก่จิตที่เป็นมหากุสุลจิตประกอบด้วยปัญญาและเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องโน้มน้าวชักจูงให้เกิดขึ้นเป็นต้นสรุปแล้วเมื่อเราทราบลักษณะของจิตที่เป็นอกุศลและกุศลตลอดจนทราบลักษณะของจิตที่ใช้ทาสมถกรรมฐาน แล ะ, จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วเมื่อจิตชนิดใดเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้จิตนั้นโดยอัตโนมัติหากจิตในขณะนั้นเป็นอากุศลจิตอากุศลจิตจะดับลงทันทีแล้วเกิดมหากุศลจิตขึ้นแทนโดยอัตโนมัติจิตดวงใหม่นี้แหละมีสัมมาสติและมีความตั้งมั่นชั่วขณะหรือคณิกะสมาธิและพร้อมที่จะเจริญปัญญา คือรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้ต่อไปแต่ถ้าพบ ว, ว่าในขณะนั้นจิตมีความสับสนวุ่นวายไม่สามารถรู้รูปนามได้ก็ให้น้อมใจเข้าหาความสงบสุขด้วยการทาสมถกรรมฐาน จ, นจนจิตเกิดความตั้งมั่นรู้ตื่นและเบิกบานแล้วจิตจะมีกําลังกลับมาตามรู้รูปนามเพื่อจเจริญปัญญาได้ต่อไปใหม่แต่ถ้าจิตสงบแล้ว พึงใจในรสของความสุขสงบจนเกียรติครานที่จะรู้รูปนามต่อไปก็ให้รู้ทันว่าจิตติดความสงบเสียแล้วจิตจะคลายตัวออกจากการยึดติดในความสงบนั้นแล ะ, จะเจริญปัญญาต่อไปได้แต่ถ้ายังไม่คลายตัวจากการติดความสงบก็พึงใช้อุบายเปลี่ยนอารมณ์เสียให้จิตเคลื่อนจากความสงบออกไปรู้อารมณ์อื่นๆอาการติดความสงบก็จะหายไป